ฟังทากันก็เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาไปทำอยากจำเอาคำพูดเพื่อเอาไปขบไปคิดไใช่พูดให้คิดพูดให้ไรททำดูนี <c oughs> ่คือภาคปฏิบัติเราสอนกันเรื่อง การเจริญสติเขาบอกว่าให้รู้สึกตัวก็ไปทําความรู้สึกตัวดูดูกายกายที่จะเห็นมันได้ก็ต้องเอตนาเคลื่อนไหวให้รู้สึกความรู้สึกตัว ส, ต, วสติปัฏฐานนั่นไม่ใช่ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยใครก็มีได้โจรผู้ไร้ก็มีได้ แต่สติปัฏฐานนั่นเป็นการสร้างตัวรู้ตัวดูไปในตัวใส่ใจเจตนาแล้วกับเวลาใดที่มันไหวลูกกับนิมิตที่ตั้งไว้ก็พยายามกลับมากลับมาหานิมิตที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้ให้เป็นที่เป็นทาง อ่าจับโน่นจับนี่ให้เป็นระเบียบจติตให้เป็นระเบียบตั้งไว้ตรงนี้มันจะไปที่อื่นก็เอากลับมาเหมือนเราจัดสิ่งของบ้านเรือนเรามีแก้วมีขวดมีน้ำมีถ้วยมีชามเผาไว้ตรงไหนก็ต้องให้อยู่ตรงนั้นให้มันมีระเบียบ ร <c oughs> ้างเสตียางเดียวมันมีระเบียบมีระเบียบไปทั่วะจะเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเนี่ยโดยเฉพาะมันจัดสันกายใจจัดสันทุกอย่างสัมรวมอินทรีย์ลงไปในตัวเสร็จตาหูจมูกลิน่นกายใจโูกรสกลิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆมันจะจัดสันเป็น การสํารวมเ ป, รเป็นสีเกิดบริสุทธิ์ที่ศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์สํารวมเป็นสีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจสมรวมไปอีกไม่ให้ยินดียินไล่ในว า, น า, นาเห็นรู ป, ปรอ้องเสียงอดมกลิ่นริมน้๊ดชาคลียาดุโยคประกอบความเพียรไม่เห็นแจกเล่นจก น, นอนมากนะักวันไปอย่างนะั้นความรู้สึกตัวมันขยันไปเลย มันสํารวมไปเลยอินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในกําเนินี่คือจิติปฐานทําดูก็ไ ด, ไไได้ไปต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ไปต้องไปนี้ไปไหนก็ไดออ้ชนมันเลยอยู่ที่ไหนรู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้ไดที่ทํางานทําการที่ไปไหนก็ได้ความรู้สึกตัวถ้าเราสร้างให้มี ให้มีทำให้มีทามีแล้วทำให้เป็นด้วยไีให้เป็นเป็นให้ถูกเอาที่สุดก็ตายให้เป็นด้วยเจ็บให้เป็นแก่ให้เป็นคนที่สุดก็ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายเป็นศิลปะของสติเป็นความชำนิชานาญเป็นที่พึ่งมั่นคงแน่นอนอย่าสับสน สิ่งที่ทำให้สับสนอย่าไปสับสนสิ่งไหนที่มันทำให้เกิดความสับสนชื่อหน้ามันได้เช่นความคิดระวังความคิดมันจะทำให้เกิดความสับสนระ ว, วังอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะทำให้สับสนอย่าสับสนความงว่วงเหงาหอนอนความคิดฟุง่งสั่นความลังเลสงสัยหาคำถามจาก ความคิดเมื่อได้ความคิดเกิดคำถามจะไปอยู่ตรงนั้นเอาการกระทําให้มีการกระทําเอาความรู้สึกตัวปลุกเบิกไปเอาการกระทําลุกเบิกไปปลุกเบิกไปเลยถากันไปเลยมัน จ, จะเป็นรูปเป็นร่างก็เมื่อเราถากช่างถากก็ย่อมถากช่างดัดโลูกศรก็ดัดตะพึดก็ตะเพือ บันดิตก็ต้องฝึกตนตะพืดตะเพอไปลูกกายไปเรื่อยๆลูกกายในสติมันตั้งไว้ตั้งไว้นานๆมันจะผ่านมานี่ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีทีตั้งมันก็ผ่านมามือนก็ดึงผ่านมาเหมือนกับชีวิตของเรามันมาเข้าแถวให้ดูจุดรวมหรือว่าตลาดนัดของชีวิตเขาว่าล่ะ อะไรมันอยู่ตรงนี้แหละแต่เราดูกายเดี๋ยวใจมันก็จะเห็นเองแหละเวทนาวมก็จะเห็นความคิดก็จะเห็นอารมณ์ก็จะเห็นเห็นหมดแปด0 0นสี่พันเรื่องเข้าแถวเข้าแถวมาให้เราดูเลยเหมือนกับปลาดนัดของวัตถุสิ่งของไปที่แห่งเดียวซื่อได้ทั้งหมดการเจริญสติก็เหมือนกัน ไม่ต้องไปหาดูที่ไหนไม่เหมือนการทำอย่างอื่นการจเจริญสติปัฏฐานบางคนเขาก็พราเราก็มาถามบางลูกก็พูดว่าจ ะ, อะขอถ่ายภาพขอถ่ายภาพผู้หญิงตายปัจจุบันถ่ายท้งหมดถ่ายไปจน ศพนั่นอืดจนศพนั่นเน่จนศพนั่นเละจนเหลือแต่กระดูกดโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อสุภาษอันนั้นมันเป็นโลกดวยังไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อสุภาจริงๆมันเกิดจากความหลงเกิดจากความคิดพอมันคิดด้วยความหลงเนี่ยมันมันโศกะศกแล้วเป็นอสุภาแล้วเบื่อแล้ว ตกใจถ้มันหลงคิดไปความหลงก็อาสุภาษแล้วน่าเกลียดโสกโปกยิ่งคิดไปก็สกโปกความรู้ในบริสุทธิ์เนียเพราะนั้นเราในความสาดในความบริสุทธิ์ความรู้สึกตัวเนี่ยกละใดที่มันหลงเน่อยมันสกโปกมันเปิดเพื่อนอ่มันเปิดเพื่อนเราก็ขยะกขยแยงเราก็เลยไม่กล้าเนีย ความรู้สึกตัวเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าอ้าวผู้ใดมีลาข้าจลิตต้องเพ่งอสุภะกรรมาฐานผู้ใดมีโทสัจริตต้องแผ่เมตตาผู้ใดมีโมหจะจริตต้องเจริญสติปัฏฐานอนันก็ถูกแบบนั้นแต่ว่าถ้าเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยจะลิดทั้งหลายลาบคาบไปเลย ลาบคาบไปเลยจะเป็นลาค้าจลิตเป็นโทชาจริศเป็นโมหาจลิตก็ลาบค า, า, า, าบไปเลยมากันเป็นพวงเลยเหมือนเลือกตั้งเอ่ออะไรเลือกตั้งผูวแทนแบบอะไรแบบอะไร <c oughs> ไล่มาเป็นพวงเลือกบุคคลเลือกพักไล่มาเป็นพวงเลือกพักอย่างเดียวมาเป็นพวง อันนี้ก็เหมือนกันมีสติอย่างเดียวมาเป็นพวงศินก็มาสมาธิก็มาปัญญาก็มาวิมุตต์ความหลุดพ้นก็มารูบคำอยู่ในองค์มรดุดูอยู่ดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยมรดคือดูเนี่ยมันจะไปไหนคนที่ดูอยู่เนี่ยอะไรไมันจะเกิดขึ้นดูอยู่นี่แหละหลเขายกศาลาหลังหน้าใหญ่ราชรามััตร แล้วก็บอกดูรือเปล่าดูหรือเปล่าดูอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แมันจะไปไหนเราดูอยู่ความหนักความยิ่งใหญ่มันหนักขึ้นคนดูก็ดูเอ้าขึ้นขึ้นขอขึ้นได้แบบอ้าวพอพอเราดูอยู่เราดูอยู่แต่มันเกินมังก็ไม่ให้เกินมันต่าก็ยังเอาอยู่ต้องทำอ้าวขึ้นอีกขึ้นอีกขอมันได้แบบครับอ้าวพอพอดูอยู่ไหมเราอยู่ดูไหมดูอยู่ไหม เียกกันดูอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละเออเบาใจถ้าถ้ามีผู้ดูอยู่คนที่ทำงานก็ทำตะเพืพ่อไปอ อ, อะไรมมนจะเกิดขึ้นที่กายที่ใจอะไรมมนจะเกิดขึ้นที่ตาที่หูดูอยู่นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูอยู่คุมหัวมันอยู่เรามีเชโยโฟมที่ดูของชีวิต ชั้นเชิงมันดีข่าววัดที่ดูเนี่ยมันมีชั้นเชิงดีมีชัยภูมิถ้าเป็นนักโลกก็มีชัยชนะสิบทิศถ้าดูถ้าเป็นหลักแพรแต่พิ่งตะเพิ่งล่ะย่างมัสร้างตัวดูขึ้นมาบางทีเราไม่เคยเห็นความคิดเรามีแต่มันสั่งงานเล่าคิดอะไรก็ทําทตามมันเวลานอนยังหาเรื่องไว้คิดไม่เป็นระเบียบ ความชิดมันก็ใหญ่เป็นใหญ่มโมโนปภังคมาธรรมะโมโนเศรษามโนมายะมันเป็นใหญ่แต่ใหญ่แบบความป่าเถื่อนใหญ่แบบความป่าเถื่อนมันก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าใหญ่แบบไม่ทำมันก็เกิดความเป็นธรรม ดันั้นมว่าจะใหญ่ก็ตามถ้าต้องดูเนี่ยเพราะว่าที่ดูเนี่ยชั่งเชิงดีใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยความเป็นธรรมแม้ความคิดเกิดขึ้นตรวจสอบตาเห็นโลกตรวจสอบสูเรเย็นเสียงตรวจสอบเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> การสร้างสติเนี่ยยิ่งใหญ่มาก สู่ธรรมชาติอะไรฝืนไปไม่ได้แต่พยายามสร้างตัวนี้มีขึ้นมามันจะเป็นอำนาจมันจะเด่นเห็นรูกให้มีความรู้สึกตัวอยาฟังเสียงอะไรกลมหน้ากลมตาสร้างได้กันละดูมันเห็นเนี่ยก็เห็นเห็นไปดูไปเห็นไปเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิด เห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นอย่าให้มันไปกับความคิดอย่าให้ไปกับเวทนาอย่าให้ไปกับอารมณ์ตั้งหลักไว้นหลักกรรมมาฐานในฐานเป็นที่ตั้งเป็นกองทัพตั้งให้มั่นไว้ตรงนี้เวาฐานที่ตั้งเนาะกรรมฐานเนี่ยเมื่อเราตั้งไปมันก็ต้องยึดได้ยึดพื้นที่ได้ เห็นกายได้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นความคิดเห็นจิตใจเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่จิตวันนี้่ันก็เห็นบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆเห็นเราดูมือเคลื่อนไหวดูกายที่มันเดินเห็นบ่อยๆ มันจะเห็นเป็นลูกมันจะเห็นเป็นนามแต่ยันอย่างนี้ไม่ใช่เห็นนิมิตถ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาได้ไม่ไปได้ยินเสียงบอกสงสอนอะ น, นั้นบางทีมันเป็นนิมิตนิมิตมีได้หลายอย่างนิมิตทางตานิมิตทางหูนิมิตทางจมกูกนิมิตทางลิน้น นิมิตทางกายนิมิตทางจิตใจอันนั้นเป็นนิมิตที่มันหลอกนิมิตจริงๆก็คือมีสติเห็นกายเนี่ยอันนี้เรกว่านิมิตนิมิตที่ตั้งนนพยายามตั้งไว ให้มันเด่นเห็นชัดๆัดเห็นชัดเจนเราก็ความเห็นมันจะบอกมันเกิดญาณเกิดปัญญาทะลุทะลวงได้เช่นเราเห็นกายเนี่ยเห็นไม่จะอเอะกันแล้วก็หลบหลีกๆอยู่หลบหลีกๆอยู่ถ้าเห็นจนเราจับได้ไล่ทัน ทานหนังคาเขามันก็สารภาพสารภาพสารภาพหมดเปลือกไม่มีทางแก้ตัวเหมือนคิดพาคสาตุลาการสอบจำเลยข้อยุติหาความจริงปฏิเสธไม่ได้ เห็นกายเห็นเป็นรูปมันเป็นรูปจริงๆเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดมันเป็นนามเห็นเวทนามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูปกำนามมันก็คือเวทนามันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่มันไม่มีอํานาจอะไรมื่อวานในรับสุดหมายมีสํำนักกรรมฐานสอนเรื่อง เวทนาเอาชนะเวทนานั่งไปเมื่อมันปวดต้องสู้กับความปวดจนความปวดเงินชาเอาชนะความปวดจึงจะเห็นเห็นธรรมเอาชนะเห็นเอาชนะความปวดเอาชนะเวทนาได้จึงจะเห็นธรรมเวทนาทางจิตหรือเพราะความปวดทางกายเนี่ยต้อง นั่งให้ได้สามสี่ชั่วโมงถ้าเวทนาทางกิจต้องนั่งให้ได้ห้าหกชั่วโมงจึงจะชนะเวทนากายจึงจะไปชนะเวทนากิจเวทนาอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายเนี่เอาชนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะมันมีอยู่มันมีอยู่เวทนาอันนี้ไปใช่ไปข่มไปกด ชนะเท่าไหร่มันก็เกิดอยู่เท่านั้นตาบใดที่มันมีลูกตาบใดที่มันมีนามมันก็ต้องมีเวทนาเอาชนะตัวนี้เอาชนะเวทนาที่มันเกิดขึ้นเลยมันไม่กริงนรอกชนะแบบไหนชนะแบบกดทับชนะแบบรู้ทันเลขี้หน้ามันเน่ยเวทนาก็คือเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนหรอกหอกแต่ชนะแบบเห็นแง่ง มันจึงจะถูกต้องถ้าชนะแบบบังคับขับใสจนเลื่อยจนด้านไปจนชาไปเลยอันนั้นก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่จริงมันก็ยังจะมีอีกเอาชนะแต่นั่นอีกมันไม่ใช่เอาชนะแบบนั้นตั้งสองชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงหรือไม่ถึงสองชั่วโมงเพิ่ตาเดียวพอมันเกิดขึ้นก็รู้แล้วพอรู้มันก็ถือว่าชนะแหละเห็นนะ่ะ เออเวทนารู้แล้วแต่นั่นแล้วเชี่ยววินาทีเดียวแค่นั้นแะความคิดเกิดขึ้นก็เห็นแลยเวทนาใดที่มันเกิดจากกิจเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความรักความชังความสุขความทุกข์รู้แล้ววินาทีเดียวเชี่ยววินาที <c oughs> ไม่ใช่สี่ชั่วโมงนี่เป็นเวทนาในเวทนาเราเห็นเนี่ยภาวะที่เห็นเนี่ย ย่อย่อเวลาไม่ใช่สี่ชั่วโมงไม่ใช่แปดชั่วโมงเป็นการย่อให้สั้นเข้ามาเส้นทางมันยาวย่อให้สัน้นมีเหมือนกันในพระสูตรพระเจ้าเป็นคนพูดที่ย่อทางให้สั้นเข้ามาทางโยดหนึ่งย่อสันส้นๆเดินแป๊บเดียวถึง น, นั่นก็เป็นบุคลาทิปสถาน แต่ถ้าเป็นธรร ม, มาริสถานเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงกิเลสก็พันห้าโอ้หลายมากทันหาก็ร้อยแปดแปดมืนสี่พันเรื่องในชีวิตเราเป็นพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยถ้าเป็นหนังสือก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็แอดสิบเล่ม ถ้าเป็นภาษาบาลีก็สีิห้าเล่มแต่ละเล่มขนหนาสองเนีว่วสามเนี่ยก็มีท่องเรียนให้หมดเรียนให้ครบอันนั้นก็เป็นใหญ่มากแต่ถ้าเรามาดูเขาจริงจริงเนี่ยแปดหมื่นสท่านเรื่องคือเกิดคือกายคือใจเท่า น, นั้นกายเนี่ยเป็นตําลายใจนี่แหละเป็นตําลายผสูตรเรื่องของตาเรื่องของหูเรื่องของอินทรีย์ เรื่องของรูปของรสของกลิ่นของเสียงเรื่องของโผฏฐาลาอารมต่างๆเป็นพสูตดพระสูตรเป็นทางอากุศลเกิดความหลงความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความรักความชังความโุขความทุกข์เขาสิ่งนี้มีถิงนี่จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีไปเรื่อยๆสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีไปเลยๆเป็นสูตรของเขา แต่ละสูตรเนี่ยยาวบ้างเช่นอากุศลเนี่ยเพราะอุกชาถ้ามันเกิดสังขารสังขารเกิดนามลูกนามลูกเกิดอายตนะอายจันะเกิดผัดสะกัดผัดสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตันหาตันหาเกิดอุปทานเกิดอุปทานเกิดทบเกิดชาติเกิดชรามันแล้วนะโศกภัยเทวทุกข์ตายไปอันนี้ถ้าไล่ไปมันก็ยาว แต่ถ้าเรามาดูจริงๆมันย่อพอหลงปั๊บเนี่ยมันไปแล้วตายแล้วเกิดแล้วพอรู้ ป, ปั๊บมันดับแล้วมันดับแล้ว ด, ด, ดับความเกิดคุมความเกิดคุมกำเนิดของความเกิดคุมกำเนิดของสังขารเนี่ยมันเกิดดับอย่างความโกรธเนี่ยกว่าที่จะไปถึงความโกรธมันเกิดแล้ ตอนที่เพึ่งถึงความรักควาชังมันคืออะมันเกิดมันเกิดตับเกิดจริงไหมวันนั้นมันเกิดกี่พวกกี่ชาติแล้วดับได้ไหมหยุดเกิดได้ไหมไม่ต้องเป็ไล่งอ็มความโกรธเอ็มวิชาก็เกิดสังขารสังขารเกิดนํามูลกอวิชชาคืออะไรก็คนมไม่รู้รู้เลยรู้ผิดคือความหลงก็เลยไป ถ้าเรามาดูอยู่มาดูอยู่เนี่ยมันยอ่อมันไม่ไปขนาดนั้นแต่ไปไล่ตำลามันไปไกลแต่เรามาดูเขายัางภาคปฏิบัติจริงๆเราดูมันอยู่ความคิดพั๊บก็ลูกปั๊บทันทีดับแล้วไม่ต้องไล่อวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ความไม่รู้คืออะไรคือความหลงถ้ามีความรู้อยู่เราก็ไม่หลงเอาแชน่นี้ก็พอเมื่อย่เยอเวลาให้สั้น เอามาจับมาดูต่อหน้าต่อตาเราเ่ยไม่ต้องไปอ่านตำราเอามาดูให้ต่อหน้าต่อตาเลยโอ้มันหลงโอ้มันลูนลนล่เอาไปเอามาไม่ตัวลูกตัวหลงนเะนี่ยไมมันเป็นลูกเป็นหนามมันมีเวทนาจะไปสู้เวทนาเลยสิ่งถ้าเราปฏิบัติไม่ได้สู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราทำผิดสู้ สู้กับความโกรธสู้กับความทุกข์สู้กับความคิดไม่ได้สู้เลยไม่ได้สู้เลยเพียงแต่ืึนน้ำลายเท่านั้นก็ปวดดังนะเช่นความคิดเนี่ยมันกลัวความรู้สึกตัวเพียงแต่อืมเท่า น, นั้นแหละมันวอดไปเลยหนะเหะมือนเลยสีตาไฟมันไม่วอดไปเลยไม่มีซากศพ เ, เป็นเลสืสีเป็นมุนี มุนีไปว่าผู้ลอยบาปฤาษีไปบอกเผาไหมมันเป็นญาณ น, นั้นเป็นชาญชานนี่คือเพ่งเผาไม่มีศากดิ์ศรัทธาชาญมันมากชานมันแรงเพ่งเผาชานเลยชาปักิจอย่างพวกเราเคยถูกได้รับตาเชิญไปนงนชาปัญกิจชาปัญกิจคือไปเผาให้มันร่างกายที่มันเน่าเหม็นที่มันวอดไปเหลือแต่ขี้เท่า ฌานที่เป็นความเพ่งเผาของความชั่วที่มันเกิดกับเราฌานจริงๆคือความรููสึกตัวเนี่ยยอดของฌานห่ะกแต่รูดสักตัวเนี่ยม้อยไม่ไมีทรากน่ะจะใหญ่ขนาดไหนกี่เล็บพันหา้ารูดสักตัวลอดไปเลยปัญหาน้าแปดลอดไปเลยของรูดสึกตั ว, ตวถ้าเป็นมหาสติปัฏฐาน ไม่มีอะไรที่จะครอบงาได้ใหญ่เน่นเนี่ยคาว่ามาหาเนี่ยมันใหญ่ไม่มีอะไรจะเท่ามาหามันใหญ่ยิ่งใหญ่เราจงมาสร้างตัวเนี่ยถูกแล้วอย่าลังเลสงสัยอย่าสับสนอย่าไปคำคำทิมตัวลงไปเลยมีความรู้สึกตัว ตัดเขนใจหยุดแต่ความรู้สึกตัวอะไรก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวผู้ที่ยังไม่มีอารมณ์ก็ทำไปเพื่อต่อเพื่พไปอย่าไปหาเมื่อเพิผู้มีอารมณ์แล้วก็เอาอารมณ์เป็นตัวฉเลฉลยเช่นเห็นรูปเห็นนามรูปมันฉเฉลยนามมันฉเฉลย อ, อาการของรูปอาการของนาม ลูกมันบอกสิ่งที่เกิดกับลูกมันบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามมันบอกบอกว่ายังไงบอกว่าคืออาการความโกรธก็เป็นอาการของนามความวิตกกังวลเป็นอาการของนามโอ้ยหลายนับไม่ไหวที่เป็นอาการอาการของน้ำนับไม่ไหวเพียงแต่เราคิดหน้ามันว่ามันคืออาการ ตันนั่นมนก็เล็กน้อยแต่มันเราไปบอ ก, กว่าความโกรธหรือไปบอกว่าตันหานัทีตัณหาสมาณทีแม่น้าเสมอด้วยตัณหามั้งโอ้มันใหญ่กว่าแม่น้ำนะมหาสมุทรั่นเลยสมุทรทศพลติีพระมติโยใหญ่มากทีเดียวแต่เราบอกว่าอาการมันก็น้อยจิบจ้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาง รู ป, ป ม, ม, มันหมอกนามันหมอกก็เกิดปัญญาแทนที่จะเกิดความหลงกลายเป็นปัญญาเอามาเป็นปัญญาทั้งหมดมาเป็นตัวดูตัวลู่ตัวเห็นทั้งหมดอันถือว่าเห็นเนี่ยมันไปไม่รอดวัเนเราอยู่บ้านโจรจะขึ้นบ้านมันไม่กล้าเพราะเราเห็นอยู่เราดูอยู่แม้แต่เด็กน้อยโจรมันก็กลัว จนที่มันเอาของได้เพราะมันมืดเพราะไม่มีใครเห็นมันมันเป็นขโมยเห็นความคิดเนี่ยตัวลักคิดเนี่ยหลวงพ่อว่ามันเป็นขโมยมันเป็นตัวขโมยตัวเห็นตัวดูมันเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านจ้ะหลวงพ่อเลยพูดแบบปฏิบัติแบบได้สัมผัสตัวแล้วโอ้ความรู้สึกตัวเหมือนกับเจ้าของกาย ความรู้สึกตัวเหมือนกับเจ้าของใจเมื่อกายใจมีเจ้าของดูแลอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดแล้วมีก็ทักท้วงได้แสดงอืมแสดาวาที่อืมเนี่ยมันเป็นภาวะของอำนาจอำนาจของชีวิตไม่ใช่อำนาจแบบสมมุติปัญญา เอ่มอบให้กันเป็นนายกทัามนตรเป็นประธานาธิบดีอันนั้นเป็นอำนาจแบบสมมติทีบัญญัติกฎหมายและธรรมนูญเป็นสมมติทีบัญญตัติอำนาจที่เกิดจากปฏิบัติดีปฏิบัติตรงมันเป็นผลมาจสัจกักอันนี้มันปราบปราบที่เล็ได้ปราบความพหลงงมงายแต่ถ้าทุกคนมามีอำนาจตัวนี้แล้วอำนาจแต่ น, นั้นก็ไม่ต้องใช้ ใครจะไปเบียดเทียนกันไม่ได้ใครจะไปเอาเปรียบกันไม่ได้ไมัต้องมีคุกเดือดรางเหลวงพ่อว่านะไม่ต้องมือตำรวจทหาร mm. ถ้ามาลูกปรามัตถะภาวัรรมของชีวิตใครจะไปคิดชั่วใครจะไปทำชั่วได้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่เอปกครองตัวเองอยู่เย็นสงบไปเลยเี่ย <Yeah. S 1> เห็น ก่อนที่ทำผิดไม่ผิดที่ตรงไหนผิดศีลมันผิดที่ตรงไห น, ผ, น, น, ผ, ดดไหนผิดที่กายวายใจใจเราก็รู้การรักษากายวายใจใจเฮบร่อยชื่อว่าศีลการรักษาใจใมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญากายอย่สังขารคิดต่อสังขารเรียรอบรู้อยู่ตรงนี้ เห็นอันอื่นเอาชนะอันอื่นเขาไม่เท่าเอาชนะตัวเองเปลี่ยนสังขารเป็นรื่สังขารเปลี่ยนได้สบายเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้สบายไม่ต้องไปด่ากันถ้าไปด่ากันเนี่ยโอ้ยมันสิ้นพลังงานกว่าจะเดินไปหากว่าจะไปออกเสียงกว่าจะไปโอมันลําบากถับเปลี่ยนเนี่ยมันง่าย <c oughs> เปลี่ยนสังขารเป็นรื่สังขาร สังขาราปรมาทุกข์หสังขารมันเป็นทุกข์การปรุงปุงแต่งวิสังขารนิพพานปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขวิสังขารคือนิพพานสังขารคือทุกข์วิสังขารจะไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนเลย ไ, ไปทางปฎากันมันง่ายวความโกรธมันยากควเมื่เกตต์มันสะดวกควาเป็นธรรมความทุกข์หรือไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรม ครบดูแล้วความหลงไม่เป็นธรรมเลยความไม่หลงเลยเป็นธรรมดูแลว้วครบไปแล้วสร้างความไม่หลงมาแล้วสี่สัปหะวันแล้วสัมผัสดูแ ล, แล้วพอไปหลงพับต่างกันเลยต่างกันหลงอยู่ที่ไหนหลงอยู่ที่อการกระทำเราจึงมาตั้งไว้ตั้งไว้ที่ค่ะ พอรูจ้จักรูปรู้จักนามรูปมันจะช่วยนามจะช่วยไปนี้ช่วยแหละมันจะบอก อ, อาการต่างๆคือเกิดขึ้นกับรูปตำนามมันจะบอกฉทนรูปทำนามไปเรื่อยๆจนจบเป็นสูตรไปไปตามสูตรสูตรของรูปวนไล่ไปเททนาที่เกิดกับรูป มีตามีหูมีวัตถุอาการวัตถุที่เกิดกับลูกมีวัตถุอาการอะไรตาก็เป็นวัตถุอันหนึง่งลู ก, ก็เป็นวัตถุอันหนึง่งหูก็เป็นวัตถุอันหนึง่งเสียงเป็นวัตถุอันหนึง่งถ้าตาไม่มีตาเห็นอะไรไม่ได้ก็ไม่มีวัตถุเหมืนอนคนตาบอดไม่มีวิญญาณทางตาถ้าหูหนวกก็เป็นไม่มีวิญญาณทางหูจูหูกหูู ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีวิญญาณทางจมูกลิ้นไม่มีรสก็ไม่มีวิญญาณทางลิ้นกายไม่มีการสัมผัสถูกต้องกายนั่นก็อันตรายขาดจะเป็นโรคมะเร็งได้มันด้านเขาม็ดฟันก็ไม่เก็บเขาไฟมาไหม้ไฟมาจุดก็ไม่เจ็บนั่นี่มันสมมุนยุ่งกันมันเจ็บเนี่ยโอ้ยขอบคุณใช่ไหมคุณหอขอบคุณไว้ยุ่งกัดเจ็บเนี่ย ขอบคุณกาลโอ้มันรู้จะเก็บเป็นสัญญาณของเขามันโยงกันอ้ะเนี่ยโอ้ยมือไปเลยขอบคุณถ้าโยงกันไม่เจ็บเ่ยอะไรเกิดขึ้นจะไปทุกข์ทำไมไก็เหยียบน้ํามันเจ็บเยลยรเมืองไว้ถอดน้ำเอาอโอ้ขอบคุณขอบคุณลูกที่มันมีสัญญาณอันตรายแล้วเราเอามาเป็นทุกข์วันที่เราเอามาเป็นประโยชน์ความหิวขอบคุณเลยขอบคุณความหิว แต่ว่าหลวงพ่อเป็นวัดเนี่ยธําท่าจะไม่ได้ขอบคุณมันโอ้มันสัญญาณมันบอกเนี่ยตรงพ่ อ, อโม้แล้วร่างกายรล่อนๆอยู่พยายามนลื่อนเห็นไหมเห็นไห้โอ้ขอบคุณร่างกายธําท่าเป็นวัดเป็นไข้ขอบคุณใช่กายผิดไปใช่สั บ, ส, บสนสนมันปรับตัวไม่ทันนั่นก็หาทางออก ให้เราพักผ่อนพรกผ่อนสองวันก็มทาทงวัดเลยครอบคุณครอบคุณร่างกายที่มันเกิดอะไรขึ้นมามันเป็นวัตถุอาการมันเป็นวัตถุอาการร่างกายร้อนเหนื่อโทรมอยู่ไปอาบนา้ำสะบัดน่มสะบัดหนาวเป็นวัตถุอาการที่ใช่ผิดประเภทเหมือนเราใช้มีดมีดเขาสาหรับ ทำครัวเอาไปปั้นดินเอาไปปั้นเหล็กไม่เป็นกระหมดคุณภาพเราใช่กิจเราใช่กายพิดประเภทเช่นใช่ให้มันทุกข์ใช่ให้โกรธใช่ให้รักใช่ให้ชัหมดสภาพเลยตีไม่ตีเป็นโลกประ ต, ต้องไปหายกิจแพทย์ใช่กายไม่เป็นไปจนเล่าเมายาไอติดของเสีติดเกิดวิกฤตทางกาย สามสอนเกิดอันตรายพานละหลวงพ่อว่ากันเรียนลู้เรื่องกายเรื่องใจนี่โอ้ยสุดยอดของการศึกษาเป็นมูกุ่ของการศึกษาก็ท<า>องตัวเองวัตถุอาการกายก็เป็นวัตถุมันก็นมีอาการหลายอย่างอาการคือมันเกิดขึ้นไ่ะตามก็เห็นรู้หูก็ได้ยินเสียง เท่านั้นไม่พอวัตถุอาการมันต่อไปอีกยินดียินไล่มันจะเป็นไปอีนะชอบไม่ชอบเกิดสมมติปัญญัติต่อไปอีกแล้วเมื่อเกิดสมมติบัญญัติเกิดความยึดโขกติดเมื่อเกิดความยึดเกิดอะไรไปเกิดขี้เหล็กตันหาเพ่งเลยเกิดความโลภความโกรธความหลงไปไกลจนชลาโมลณะโสกปฏิเทวทุกข ก่อนที่จะล่องให้มันไปจางไหนก่อนที่จะไปหัวเลาะหลงตัวลืมตนมันไปทางไหนแต่ถ้าเราอยู่ตรงไหนเราไม่เกิดเราไม่เกิดหยุดเกิดเอะจะว่าอย่างไรเกิดอะไรเกิดอะไรก็ได้ไม่เกิดอยู่ยังไงอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรเอาไอยู่กับหลวงพ่อไหม อ, อยู่ตรงไหนหลวงพ่ออยู่ตรงไม่เป็นอะไร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 มีแต่อาการมีแต่ธรรมชาติเดียไม่มีไม่มีค่าเหลือศูนย์ได้ยังไงโชคเออชั้นซศูนย์ลบศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์มีค่าไม่มีค่าเลยไม่มีกูไม่มีกูกูไม่มีค่ากูชอบกูไม่ชอบแต่มีค่านะแต่ลบศูนย์ไม่มีกู กูร้อนกู้หนาวกูหิวนี่แต่เห็นหมัน้ยเาไมเนนา่เห็นเองคือศูนย์เห็นฟังเรื่องไหมลบลบศูนย์ลบศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์นีนภาบอยู่ยังไงเป็นกิริยาใช่ชีวิตเป็นกิริยากินเป็นกิริยา ถ่ายเป็นจีตวิญญานอนเป็นจิตวิญญพูดให้สมมติปัญญาใช่สมมติปัญญาให้สําเร็จประโยชน์แต่ที่ใช่สมมุติปัญญัติให้เกิดเป็นทุกข์เป็นความลักความชังอายุเท่์นั้นไม่ใช่ใช่สมมุติบัญญัติตามที่โลกสมมุติตื่ก็เป็นพระหลัก็เป็นโยมอันนี้สมมุติบัญญัาถ้าปรเมตต์ปัญ ญ, ญ, ญิไม่ใช่ พระก็ เ, เป็นได้ทุกเพศระ่าดใส่เสือ้อสีขาวๆาวใส่กางเกงขายาวถ้าเป็นปรมาจารย์เป็นพาได้พระเคยชีวิตประเสริฐถ้าเียดเป็นตนไม่เปี่ยมค น, นหนึ่งชีวิตประเสริฐไปทางนี้นะ่ะเราทําอยู่นี่ไปทางนี้เข้าถึงธรรมเข้าถึงสิ่งมีสิ่ง ไม่ใช่รู้ทำไมีทำไม่ใช่ว่าศีลตานาติปตามีศีลเนี่ยมันเห็นเลยเนี่ยไม่เป็นศีลอย่างไงศีลก็เคยเรียบร่อยอยู่เสมอจิตใจไม่โฟโฟแฝกแฝกจะมาที่คือไหไรคือก็คือมั่นคงเป็นที่เป็นทางปัญญาก็รอบรูดอยู่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวรูดตัวรูดตัวรูดไปไาเได้ง่ที่จะไปหลงไม่ได้งงที่จะไปโกรธ ไม่ได้โง่ที่จะไปทุกเปลี่ยนมาเป็นตัวลูกมันสบายสบายเนี่ยนี่คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ก็คือคุณภาพของคีนิตรเราเนี่ยลูกตื่นเบิกบานพระธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเออกจากทุกข์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 เรามีความรู้สึกตัวแล้วก็ทำดีแล้วเนี่ยจะเอาอย่งไงเรามีความรู้สึกตัวจิตของเราก็ไม่ได้ปรุงป ร, งปรงต่างต่าจิตของเราก็รักก็รักษากจิตไม่ได้เช่ามองปานนั่นนะการจเจริญสติเป็นโอวาทปฏิโมกพระพุทธเจ้าสอนเจ้าทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันเรื่องสพัพพวาปิชาอัคนัง กูสลัดสู้ปะสมปะทาสากิตะปร ะ, ะปโยชน์ทัพนังเอตังพุธานาซาสนังการไม่ทำบาปทางปวงการทำกุศลให้ถึงขอมการทำละกิตของคนให้ขาวรอบสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แล้วเราเจริญสติเนี่ก็แป๊บเข้าเข้ากุ๊บเลยเป็นเออเกตเอ เกรดดีไปเลยเหมือนเราโกงกระเบื้องสลาดเกรดเอนี่ยปับทันทีเกรดดีนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันสี ข, า, ขาวๆไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เกรดเอนี่ยปั๊บทันทีเลยสีเท่าๆเาขปเป า, าปั๊บเลยเกรดดีสัาพพะปาปรสจรกาลนางังสัพพะปาปัตสักกาลนังเรามีสติเนี่ยเราได้ไปทําชั่วยไหม ไปลักขโมยใครไหมไปล่วงเกินของรักของชอบใจไหมคิดอะไรไหมลูกกลับมาอยู่เลยยังไม่ทำเลยกลับมาแล้วพร้อมชิดไปก็กลับมาได้แล้วอยู่นี่ด้วยกันหมดทุกคนเยไม่ได้ไปไหนทุกคนเลยก็เลยหอบกระเป๋ากลับบ้านเลยนั่งอยู่เลยกลับมาลู่โยู่่่เลยเนี่ยพัมเนี่ยให้ให้ถือว่าสบายใจเถอะคุนหมอ โรพยาบาลหรือญาติโยมทุกคนถูกต้องแล้วที่เราทำเนี่ยสบายใจได้เลยนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติจริงๆตัวปฏิบัติเข้าถึงศีลถึงธรรมจริงๆเข้าถึงศาสน า, าศาสนาคือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมาศาสนาจเจริญก็คือนี่แหละโดยชีวิตของเราไม่มีความชั่วไม่ทาไม่ได้ทำความชั่วไม่ใช่วัด เลือ่อมระยะพระสงฆ์มากมากนั่นเป็นอันหนึ่งอาศานาคือชีวิตเราไม่ทุกข์ไม่เบียดเปลี่ยนต้นไม่มเบียดเบียนคนอื่นอาศาสนาจเจริญวันนี้ก็โทษให้ฟังแล้วไปทําไปทําดูวันนี้เราพ่อก็อาจจะไปตรงศักดิ์แต่ว่าพอไปได้เนาะจะไปเดียวนี้เลยนี่ย่ส ขอพระเจ้าอ่ะกลับพระฟ้อมกัน